มาเข้าจตุกะมั่งจตุกะนี้หมวดสีนะสีหมวดสีอ่าสีหมวดสีทั้งหลายจตุกะแรกจตุกะที่หนึ่งมีวินิจฉัยดังนี้สีนจัดว่ามีสี่อย่างโดยเกี่ยวกับหานะภาคิยะศีนเป็นต้นหานะนี่แปลว่าความเสื่อมนะพาคิยะเนี่ยแปลว่าส่วนสีลที่เป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมอย่างนี้คือ ที่สู่รูปใดในพระศาสนานี้คบหาแต่เหล่าคนทุศีล น, น, นะเกี่ยวข้องพลุกคลีอยู่กับคนไม่มีศีนแสดงว่าคนไหนที่ไม่มีเจตนาศี์ไม่มีเจตสิกศีลไม่มีสังวรศีนไม่วีอวิติกระมศีนน่ะไปคบคนแบบนั้นบ่อยๆ อ, ยอะ่ะไม่คบหาบรรดาท่านผู้มีศีล นะคนที่มีเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิตริกมะก็ไม่ไปครอบหาท่านนะไปครบแต่คนตรงกันข้ามไม่เห็นไม่รู้จักโทษในการก้าวล่วงวัตถุคือไม่ไม่เห็นโทษของการผิดวินัยว่างั้นเถอะถ้าผิดศีลแต่ละข้อแต่ละข้อแล้วมีโทษอย่างไรไม่รู้เป็นผู้มากไปด้วยมิจฉาสังกปะ ก็คือเป็นคนที่มากไปด้วยกามวิตกนะคิดพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกที่ญาติวิตกเป็นต้นด้วยนะย่งบอกที่จริงท่านบอกมหาวิตกเก้านก็คือเช่นญาติวิตกพวกวิตกทั้งหลายที่เป็นไปกับอากุศลทั้งหลายนั่นแหละอันนั้นเขาเรียกว่ามากไปด้วยมิจฉาสังกับปะไม่รักษาอินทรีย์ทั้งหลายมีใจเป็นที่หก นะมีใจเป็นที่หกอ่ะเออหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรบ้างอ่ะตาโอ้จมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นไม่รักษาอินทรีย์ทั้งหลายมีใจเป็นที่หกศีลของภิกษุผู้เช่นนั้นย่อมเกิดเป็นหานะภากยะศีลเขาบอกว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมอย่างเดียวหานะภากยะเนี่ยนะใครที่มีศีลแบบนี้ขอให้รู้เถอว่าอนาคตเสื่อมแน่ศีลนี่เป็นของดีเนี่ยนะเขาบอกว่าศีลนี่เป็นกุศลใช่ไหม เขาบอกว่าเหมือนกับภาชนะสำร่ะศีลที่เป็นกุศลนนี่นะแต่ไปตั้งเอาไว้ในที่ใกล้ฝุ่ น, นอ่ะเพราะฉะนั้นไม่นานเดี๋ยวก็ไม่เหลือความเป็นทองสำริดให้เห็นเลยนะเสียหายแล้วนะเพราะฉะนั้นศีลประเภทนี้จึงเป็นหานะภาคยะเป็นไปเพื่อความเสื่อมเสื่อมภาคยะนี้แปลว่าส่วนเป็นส่วนแห่งความเสื่อมว่างั้นเถอะเพราะว่าศีลเนี่ยนะมันอยู่ที่การคบคนเหมือนกัน คบคนเช่นไรศีลเป็นต้นก็จะเป็นเช่นนั้นอย่างย ก, ยกตัวอย่างนะเราครบคนที่เขาปากหนักๆเนี่ยนะเออนานๆเข้าเราก็จะหนักไปเขาด้วยเหมือนกันหรือว่าคบกับคนหยาบๆไม่นานเดี๋ยวก็เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนเช่นไรก็จะเป็นเช่นนั้นนะเพราะในชาดกเนี่ยท่านถือหนะัหรือว่าในพระสูตรทั่วไปเนี่ยนะเช่นมงคลสูตรเนี่ยถือจริงๆเลย เอาเป็นหลักเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาเลยเสวนาจะพาลานางปันตานั้นจะเสวนาการครบหาสมาคมกับคนชั่วเป็นอัปมงคลนะแต่ว่าท่านแสดงว่าการครบการไม่คบคนชั่วเป็นมงคลแสดงว่าถ้าใครครบคนไม่มีศีลก็เป็นอัปมงคลนนะนะแล้วก็ให้คบหาสมาคมกับคนที่มีศีล คนพาเนี่ยคนยังไงเรียกว่าคนพาก็ได้ยินนะก็บอกว่าพาละปาทานพาลลักษณะพาลนิมิตนิมิตยี่ห้อเครื่องหมายของคนพาเนี่ยนะมีไหมถ้าไม่มีนี่ไม่มีใครรู้นะว่าใครเป็นพาลใครเป็นบัณฑิตใช่ไหมแต่มีนิมิตมียี่ห้อมีเครื่องหมายภาลปาทานพาละิมิตเขาว่างั้นมีกี่อย่างมีสามอย่างนะยี่ห้อเครื่องหมายของคนพามีสามอย่างหนึ่ง มีปกติถ้าทำก็ทำชั่วมีปกติพูดก็พูดวจีทูจริตเนี่ยนะเาบอกว่าทำก็ทำแต่กายทุจริตพูดก็วจีทูจริตคิดก็มโนทูจริตถ้าไม่มีทุจริตสอย่างเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายบัณฑิตที่ไหนเขาจะรู้ว่าคนนี้เป็นคนพานใช่ไหแต่เพราะมีนิมิตมีเครื่องหมายสอย่างนี่แหละ บัณฑิต ท, ทั้งหลายก็รู้เลยรู้ว่าเออนี่เป็นคนพาล น, นะเพราะฉะนั้นผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะเป็นเช่นกับบุคคล น, นั้นผู้ในานารทกัสปะชาดกเนี่ยน ะ, ะการที่พระเจ้าอังคติราชเนี่ยไปคบกับอาเจลกเนี่ยนะกัสปะโคตรนักบวชนุ่งลมห่มอากาศเนี่ยโอยเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลยเพราะไปถือว่าไอ้บุญ ที่ใครทําก็ไม่เป็นอันธรรมยกตัวอย่างนะวิธีสอนของนักบวชคนนี้เขาสอนว่าทานการให้ทานเนี่ยนะคนโง่บัญญัติไว้คนฉลาดรับทานเขาว่างั้นเออคนโง่นี่แหละคิดให้ทานอะ่ะให้มันมีแต่เสียคนฉลาดนี่เขาฉลาดนะคิดเอาอย่างเดียวเขาว่าไงเพราะฉะนั้นค่าก็ไม่เป็นอันค่าบุญที่ทํากรรมที่ก่อก็ไม่เป็นอันธรรมสัก อ, อย่างทุกอย่างแล้วแต่โชคเขาว่าไงอะไรจะเกิดมันก็เกิดมันเอง อะไรจะได้ก็จะได้มันเองจะเสียก็จะเสียมันเองทั้งพานทั้งมันดิตโอ้มีผลเท่ากันหมดว่างั้นจะได้ดีจะตกยากจะชั่วก็อยู่ที่ที่โคกเขาว่างั้นั้นพระราชานี่ไปเกี่ยวข้องคบคนแบบนี้เข้าหูตอนหลังเป็นมิจฉาทิฐิเลยก็บอกว่าตอนแรกไปถึงไม่ไหวอาจารย์ก่อนอนะอาจารย์คนนี้นะแต่ขากลับไม่ไหวเลยโอรีบกลับมากเสียเวลาเที่ยวว่างั้นเสียเวลาบริโภคกรรมาขากลับนี่แกเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลย พอเป็นมิจฉาทีถีแล้วก็ลูกสาวนี่ก็ไปเตือนโอ้ลูกสาวนี่ก็เตือนยังไงก็ไม่เชื่อนนะแต่ก็มีข้อความตอนหนึ่งที่ที่เป็นที่มาของว่าใบไม้ที่ห่อปรานเน่านะแต่ที่จริงก็เพียงให้รู้ว่าการครบคนเช่นไรก็จะเป็นในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลมีธรรมดีนะถึงจะมีความรู้เรื่องเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอบิติกมศีลเข้าใจในเรื่องศีลเป็นอย่างดี แต่ถ้าหากว่าคบหาสมาคมกับคนทุศีลคนไม่มีศีลหลีกเลี่ยงไม่คบคนมีศีลศีลประเภทนี้เป็นไปเพื่อความเสื่อมหรือว่าคนที่รู้ศึกษาเรื่องศีลมาอย่างนี้แล้วไม่เห็นโทษในการก้าวล่วงเออนะศีลถ้าถ้าผิดศีลเนี่ยมีโทษอะไรขึ้นบ้างเคยลองคิดดูนะถ้าหากว่าเราฆ่าสัตว์นะฆ่าสัตว์สักตัวหนึ่งเนี่ยนะ ก่อทุกก่อโทษอะไรให้บ้างถ้าไม่ฆ่าสัตว์ให้ผลเป็นอย่างไรบ้างในตัวหนึ่งเนี่ยนะยุงกัดตัวหนึ่งถ้าเราตบกับไม่ตบเนี่ยนะถ้าตบมีโทษยังไงถ้าไม่ตบมีคุณยังไงอ่ะ น, นะวันพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังหมอ่า น, นะเอาต้องวิจัยได้สิใช่ไหมค้าขายเขายังรู้กำไรรู้ขาดทุนเลยศึกษาธรรมะก็น่าจะพอรู้นะใ ค, ใครรับภาษานี้ เรื่องปลาละหอด้วยใบขาเนี่ยนะยุนในอัตกถาของสุตตานิบาตมงคลละสูตรครับแล้วก็ยังมีมีอ่าเปรียบเทียบตรงกันข้ามว่าใบไม้หอจันจันหอมจันจันจันแดงกจันนะจันจันนะก็หออไปด้วยกระเทือนเจนพานก็คือค้าคนไม่ค่อยดีนักนะแต่ไปอยู่กับคนดีๆเนี่ยนะอนาคตเขาเป็นคนดีได้นะ อย่า ง, งคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะไปคบกับคนที่ไม่มีศรัทธาระยะหนึ่งเท่านั้นเนี่ยธรรมะเนี่ยลืมเลยแต่คนไม่มีศรัทธาไปคลุกคลีกับคนที่มีธรรมะเยอะๆเนี่ยเออมีผลนะหรือเราถ้าเราไปคบกับคนที่เป็นนักอ่านเนี่ยเราจะเป็นนักอ่านไปด้วยคบคนยังไงก็จะติดนิสัยแบบนั้นมาอย่างน้อยที่สุดติดสำนวนเข้ามาคำหนึ่ง เออขอมาเนี่ยไอ้อสำนวนหนึ่งแต่ละคำแต่ละคำนะจะไปได้มาจากแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยไม่ยากนะไอ้อคนนี้ไอ้คำนี้เออสำนวนนี่มาจากเจ้านั้นไอ้อคำนี้มาจากเจ้านั้นเนี่ยเออมันก็ติดมาเหมือนกันฮะขนาดไปเกี่ยวข้องกันไม่กี่นาทีอะนะได้มาแล้วคำหนึ่งพอพูดปุด๊บจะเอาคำนั้นหลุดมาแล้วเอ๊ะยังไงแล้วนะอย่างแป๊ะเนี่ยเออติดมาแล้วก็มีนะพระเจ้า ในในสมัยอดีตอดีตกาเน่ยนะเขาว่ามะม่วงนั้นหวานอร่อยมากก็เลยเอาพวกสดาเอาพวกของขมๆเนี่ยนะไปพันรากพันอะไรแหละมะม่วงอันนั้นเลยเสียรสเลยอัน น, นัมีผลหมดเลยก็บอกว่ามีม้าอยู่ตัวหนึ่งเป็นม้าอย่างดีเลยนะแต่ว่าคนฝึกม้าขากระเพลกระเพลกระเพลก็ก เ, ลกกเดินนําหน้ามา้าทีนี้ม้าก็เลยนึกว่าสอนให้มันเดินกับเพลเดินกระเพลตามเลยนึกว่าเรียนแบบอย่างนั้นแหละ ทีนี้ว่าเอ๊ะมาตัวนี้ลักษณะก็ดีดีทาไมไปเดินกับเพลกกับเพลกเสีย ม, ม้าหมดเลยเขาบอกอ๋อมันเรียนแบบตามคนฝึกเหมือนกันแลอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่ามีโรงช้างอยู่โรงหนึ่ง น, น, นะโจนนี่ก็แอ บ, บไปปรึกษาวิธีการปล้นอะ่ะไปใกล้โรงช้างเราจับแล้วต้องฆ่าอย่างงั้นฆ่าอย่างงี้ช้างนี่กลายเป็นช้างดุร้ายไปเลยเขาก็ไปสืบดูอ๋อที่ตรงนี้เป็นที่ประชุมของพวกโจนเหมือนกนก็เลยให้บัณฑิตมาสนทนาทำกันตรงนั้นอะ่ะช้างนี้เปลี่ยนเป็นช้างที่ดีเลย นะอดีชั่วนี่เกี่ยวข้องกับอะไรเป็นอย่างนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้นนี้สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าปากตูปานิสยาปัดใจในภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องปากตูนี้มีภายในกับภายนอกงั้นเราไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยนะถามว่าทำไมชาวกุรุจึงมีสติมีปัญญา ม, มากฉลาดมากเพราะเขาได้ปากตูคืออากาศที่ดีอาหารที่ดีเนี่ยนะแต่พวกที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่ไม่ค่อยดีอากาศที่ไม่ค่อยดีจิตใจเขาก็ไม่ค่อยดีไปด้วยนะ คนก็เหมือนการเกี่ยวข้องกับบุคคลเช่นไรก็จะเป็นเช่นนั้นน้องจับตาดูนะเขาจะเป็นอย่างนั้นทันทีเลยถ้าเราอยากจะดูคนนั้นนะสังเกตที่คนรอบข้างก็จะเห็นเลยนะเขาจะบอกว่าอย่างนั้นถ้ายิ่งแบบหนังสือบางเล่มท่านอธิบายนะเขาบอกว่าถ้าอยากจะดูพระราชาองค์ไหนเนี่ยนะพระราชาเหล่านั้นนนั้เป็นอย่างไรก็ไปศึกษาประวัติพวกอํามาศแต่ละคนเนี่ยจะรู้เลยว่าพระราชาองค์นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเขา้าบอกงั้น มันมีมีผลมากนะคนข้างเคียงนี่มีผลมากอ่แล้วก็ศีลของผู้ที่มากไปด้วยอากุศลวิตกเนี่ยนะถ้าปล่อยให้จิตเป็นไปกับอาุศลเมื่อไรที่จริงเนี่ยศีลเนี่ยไม่เหลือแล้วล่ะ แ, แต่คนที่เป็นอากุศ ล, ลวิคุสวิตตกจิตที่เป็นไปกับบาปบ่อยๆมากๆศีลของเขาเหล่านั้นเนี่ยนะไอ้ที่มีอยู่นี่ก็นับว่าร่อยรอลงไปทุกทีทุกที อ, นนะอุปนิสัยแห่งศีลก็ลดลงไปลดลงไปเพราะความคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเหล่านั้นไม่น่าเชื่อนะว่าจิตที่เป็นบาปเนี่ยนะไปบันทอนแม้กระทั่งกุศลที่เคยเกิดเกิดมาแล้วเนี่ยให้เสียหายด้วยและไปตัดทอนกุศลที่จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นต่อไปอีกฉะนั้นอกุศลเนี่ยมีโทษทั้งในแง่อุปนิสัยด้วยมีโทษในลักษณะกรร ม, มวิบากด้วยเนี่ยนะแล้วก็ขณะที่อกุศลเหล่านั้นเกิดขึ้น ปิดทางแห่งศรัทธาเป็นต้นหมดเลยกุศลใดๆที่จะพึงมีขึ้นเนี่ยนะในขณะนั้นๆขณะที่อกุศลเกิดเนี่ยนะทำลายหมดหรือว่าไม่รักษาอินทรีย์ก็เหมือนกันเนี่ยนะเช่นไปดูไอ้ช่างว่าทีวีรายการบางรายการเนี่ยนะโอ้ศีลไม่เหลือเลยแหละเนี่ยนะเช่นดูไอ้ตลกโจ๊กบางอย่างเนี่ยใช่ไหมโจ๊กบางอย่างไม่มีศีลอยู่ในนั้นเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทําให้เสียหายเหมือนกันนี่ ดูรายการที่ไม่ควรดูฟังบางคนที่ไม่ควรพูด น, นะาการเกี่ยวข้องในทวารทั้ง6เนี่ยนะเป็นปัจจัยให้ศีลเสื่อมได้ก็บอกว่าแม้แต่เจตนาศีลอยางรักษาไม่ได้เลยนะการเกี่ยวข้องกับอารมณ์บางอารมณ์เพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรเ น, นี่ยนะเป็นประตูแห่งการรับรู้อารมณ์เช่นตานี้เป็นประตูแห่งการรับรู้สีทั้งหมดหูก็เป็นประตูแห่งการรับรู้เสียงจมูกก็เป็นประตูแห่งการรู้ เปลนลิ้นก็เป็นประตูแห่งการรับรู้รถกายก็เป็นประตูแห่งการรับรู้โพภธภาะถ้าใจละ่ะเป็นประตูแห่งอะไรอา้าวใจไม่รู้สีเลยรู้ไหมใจรู้สีไหมใจรู้ทั้งหมดเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอารมณ์ไหนที่ใจไม่รู้ปิดยังไงอะ่ะปิดใจปิดยังไงปิดใจปิดตา เอางั้นกูสบายเลยงั้นเอามากลับไปหลับอย่างเดียวเลยฝันอย่างเดียวเลยอะ่ะนะทำยังไงอ่าทำยังไงเอาอ ย, อยู่อยู่งี้ถ้ามาอยูอ่คิดไม่ดีอย่างเงี้ยเอาเกิดแอบบคิดไม่ดีคิดเป็นบาปถามว่าทำไงเลิกคิดคือเอางี้ก่อนความคิดเนี่ยอยู่ๆมันเกิดขึ้นมาก่อนหรือมันเกิดมารอไหมมันมีมีความคิดรอเกิดรอเลยหรือเปล่า มันเป็นยังไงความคิดนี่ถ้ามันจะเกิดเป็นยังไงถ้าประชุมพร้อมเมื่อไหร่จิตจะเกิดขึ้นอย่างเช่นนะอยู่ๆเนี่ยใครกําลังหงุดหงิดมั้งไม่มีถ้าหากว่าไม่ได้ปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งโทสะเกิดไหมไม่เกิดนะถ้าไม่ได้ปัจจัยโลภะก็ไม่เกิดถ้าไม่ได้ปัจจัยโมหะก็ไม่เกิดถ้าไม่ได้ปัจจัยศรัทธาก็ไม่เกิดฮิริโอตปะเป็นต้นก็ไม่เกิดอาการที่บุคคลตั้งเขาให้ได้ปัจจัยอ่ะเพื่อ เป็นกุศลแห่งวินาทีต่อๆไปได้นะใครที่สามารถตั้งได้แบบนั้นเนี่ยคนนั้นจะสามารถรักษาอินทรีย์สังวรได้เพราะฉะนั้นเอนไซส์สังวรนี่สําเร็จด้วยสตินะเพราะฉะนั้นคนที่มีสตินี่คือคนอย่างไงไม่หลงลืมอ่ะไม่หลงลืมในสิ่งที่ทําคําที่พูดอ่ะแม้นานแล้วเพราะฉะนั้นเป็นคนที่มองอะไรออกตลอดสายเมื่อมองอะไรออกตลอดสายคนนั้นจึงจะสังวรความคิดได้ เหมืนเอ้ยฉันจะอินทรีย์สังวรนะเลิกคิดและวโอ้สาธุทําไมเก่งขนาดนั้นนะเลิกคิดได้คนที่เลิกคิดได้นะคือใครรู้ไหมพระที่เข้านิโรธสมาบัตนะินั่นแหละเขาเลิกคิดไดนะ้คนที่เหลือเพียงแต่เปลี่ยนความคิดเท่านั้นเองอ่าพระสมาบัติคําว่าพร ะ, ะนี่ก็เป็นชื่อของผลจิตอยู่แล้วก็เป็นชื่อของจิตอีกนั่นแหละ เพราะใครที่เลิกคิดได้นะคนนั้นเท่ากับบอกว่าฉันจะเข้านิโรธสมาบัติแล้วนะนะถ้าพูดภาษาปรมามะเรานะหรือจะจุติจิตของพระอรหันเนี่ยนะถ้าจุติของบุคคลทั่วไปก็ยังคิดต่อไปเพราะธรรมชาติของจิตแปลว่าคิดหรือรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นจิตที่ไหนเกิดขึ้นคิดที่นั่นแหละนะคนที่ไม่คิดก็ไม่ใช่คนนะ เป็นพรหมไปเลยอ่ะเป็นอาสัญญาสตาพรหมไปเลยก็นั่นแหละนะถ้าให้ให้ใหตรงจริงๆก็ลักษณะนั้นแ่ะคือทํายังไงว่าให้ชาวนะเป็นกุศลนะนะในมโนทวารวิถีเนี่ยนะทั้งตัทธโนวัติกะมโนทวารวิถีทั้งสุธามโนทวารวิถีเนี่ยให้เป็นไปกับกุศลได้อ่ะคนนั่นแหละเรียกว่ามีอินทรีสังวรเรียกว่ามีมรีย์สังวรแต่ว่าความคิดเนี่ยเอ๊ะอยู่ๆมันคิดเลย อย่างต่อมาเห็นเสาปั๊บ้าเรียกใส่ชื่อเสาไปเลยถามว่าทํำยังไงจึงจะรักษาไอ้มณีซีได้อะก็ต้องเขาตั้งเขาว่าสติมาก่อนมองเพื่อประโยชน์อะไรใช่ไหมคิดอย่างนี้แล้วมีประโยชน์อะไรสาสกะสามปชัญญะเป็นต้นก็ต้องดีถ้าศาสกะเป็นต้นไม่ดียังไงก็รักษาใจาไม่ได้เห็นไหมโอ้ยขอร้องเธอขอร้องไม่เชื่อเราหรอกเนี่ยนะถ้าเชื่อโอ้ยปัจจุบันต่มาได้ดีไปแล้วละ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ไม่ดีไม่รู้จักโทษแห่งการก้าวล่วงมากไปด้วยอากุศลวิตกไม่รักษาอินซีอัดศีลของบุคคลเหล่านี้เป็นหานะภาิย์ีลเป็นไปเพื่อความเสื่อมอย่างเดียวแน่นอนเสื่อมแน่นอนทีนี้ต่อไปเลยนะ ส่วนภิกษุรูปใดในพระศาสนานี้เป็นผู้พอใจด้วยศีลสมบัติคําว่าศีลสมบัตินี่นะความถึงพร้อมแห่งศีลหมายถึงถึงพร้อมแห่งจาตุปาริสุทธิศีลเจนพรศีลสมบัติเ น, นี่ยนะความถึงพร้อมแห่งศีลก็คือถึงพร้อมด้วยจตุปาริสุทธิศีลไม่ทําความพอใจในการประกอบเนืองเนืองซึ่งกรรมฐานให้เกิดขึ้น น, นะไม่เจริญสมาธิต่อไป ศีลของภิกษุรูปนั้นผู้ยินดีอยู่ด้วยคุณสักว่าศีลไม่สืบต่อคุณที่ยิ่งขึ้นย่อมเป็นไปเพื่ อ, อ, อย่อมเป็นทิติภากคียะก็คือคนที่ไม่เจริญกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปคือไม่เจริญสมถะเช่นไม่เจริญพรห ม, มิหารไม่เจริญอสุภาพไม่เจริญอนุสติเป็นต้นเนี่ยนะรักษาศีลได้เฉยๆอย่างนี้เขาเรียกว่าทิติภากคียะเพราะว่าไม่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ ที่จริงแล้วที่สุดของการรักษาศีนยอยู่ที่ไหนรู้ไหมศีนเนี่ยให้ผลสิ้นสุดแค่ไหนโดยลำพังตัวเขาเองไหมศีนเนี่ยจะทำให้ถึงความสุขนะเขาจะส่งให้ถึงความสุข